ครับสี่ห้าเดือนที่แล้วเนี่ยที่เขาใหญ่นะมีช้างโขลงหนึ่งเนี่ยเดินผ่านรีสอร์ทแห่งหนึ่งนะตอนนั้นเป็นเวลาค่าคืนนะเพราะว่าปกติช้างก็เดินทางสัญจรก็กลางคืนนะบังไวามีลูกช้างตัวหนึ่งนะอายุประมาณสักขวบหนึ่งเนะี่ยพลัดตกลงไปในท่อระบายน้ําซึ่งลึกประมาณสักสองเมตรได้ช้างลูกช้างก็พยายามที่จะ นะขึ้นมาจากลุมนะแต่ว่าขึ้นไม่ได้เพราะมั น, มนลึกแม่ช้างเนี่ยก็เลยเปย้วนเปี้ยนบนเวียนนะดูแถวๆนั้นอนะ่ะขณะที่ช้างตัวอื่นนี่ก็เดินทางต่อแต่ว่าด้วยความรักลูกนะแม่ช้างก็เลยไม่ยอมทิ้งลูกไปลูกช้างก็ร้องนะแต่แม่ช้างก็ ทำอะไรไม่ได้นอกจากเดินวนเวียนอยู่แถวนั้นเน่ยต่อมาก็มีทีมกู้ภัยนะมาถึงจุดเกิดเหตุนะตอนเช้ามีสัตวแพทย์ด้วยอุปกรณ์ครบนะแต่ไม่รู้จะช่วยลูกยังไงไม่ช่วยไม่รู้จะช่วยลูกช้ายยังไงเพราะแม่ช้างเนี่ยไม่ยอมอยู่ห่างเลย ถ้าแม่ช้างนี่ไม่ยอมอยู่ห่างจากรูกช้างนี่ใครไปช่วยก็เสี่ยงอันตรายเพราะแม่ช้างนี่ก็อาจอา จ, จะทำร้ายได้เพราะเข้าใจผิดว่ามาทําอันตรายลูกของตัวทํำยังไงนะทีมสัตวแพทย์ก็เลยใช้วิธียิงนะยาสลบให้แม่ช้างนะ ได้ไม่มาอยู่ใกล้ไม่มาวนเวียนแถวท่อระบายน้ำซึ่งมีลูกช้างอยู่แต่ปรากฏว่าแม่ช้างเนี่ย ท, ทั้งที่ง่วงซึมพอยานะแต่ก็ไม่ยอมไปไหนวนเวียนอยู่ไกลๆลูกแล้วจูจๆนะ ก็เอาหัวเนี่ยปักเข้าไปหรือทิ้มลงไปในท่อระบายน้าท่อระบายน้ําก็ไม่กว้างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวทิ้มลงไปแต่ว่าตัวนี้ก็ยังคาอยู่หัวทิ้มกับขอบท่อระบายน้าแต่ว่าขาหลังเนี่ยมันพลาดอยู่ที่ขอบบ่อ ส่วนขาหน้านี่ทั้งสองข้างก็อยู่ในหลุมไปแล้วอยู่ในท่อไปเรียบร้อยแล้วนี่าำไมมันทำอย่างนั้นนะมันคงรู้ว่าเนี่ยในเมื่อนี่ใกล้จะสลบแล้วยังไงก็ขอให้ได้อยู่ใกล้ลูกปกป้องลูกนะและก็อาจจะเป็นพ่อได้ยินเสียงลูลองด้วยลูกนี่คงหิวนมนะ แม่ก็ไม่รู้ว่าจะให้นมลูกยังไงก็เลยใช้วิธีเนี่ยเอาตัวเนี่ยนะทิ่มลงไปในหลุมในท่อนะแต่ว่ามันก็เข้าไปได้ไม่ลึกเท่าไหร่แต่ก็มากพอที่จะให้ลูกช้างเนี่ยได้ดูดนมแม่ตอนที่ สัตวแพทย์เนี่ยพยายามช่วยเหลือเนี่ยนะแทนที่จะช่วยลูกอย่างเดียวต้องกลายเป็นว่าต้องช่วยแม่ด้วยนะภาระนี่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าหรือสามเท่าเลยเพราะว่าแม่นี่ตัวใหญ่กว่าลูกเยอะเลยแม่เนี่อยอายุสิบขวบได้ช่วยลูกนี่ก็ยากอยู่แล้วนะที่ต้องมาช่วยแม่นะซึ่งตัวนี้ก็ปักอยู่ในหลมุม และที่สำคัคือว่าถ้าอยู่ในทานนานๆเนี่ยก็คงจะหายใจลําบากนะเพราะว่าง่วงเนี่ยมันอยู่ในหลุมเข้าไปแล้วอยู่ในท่อเรียบร้อยแล้วก็ เ, เลยต้องหาทางเคลื่อนย้ายหรือยกตัวแม่เนี่ยออกจากหลุมก็ใช้รถเนี่ยนะรถยกเนี่ยยกตัวแม่นี่ ขึ้นมาจากหลุมนะแม่ก็ยินยอมนะพราะาตอนนั้นหมดสภาพไปแล้วแล้วก็จะเรียกว่าไม่รู้สึกตัวแล้วเลยก็ได้เพราะสลบแต่พอช่วยแม่ได้ขึ้นมาจากหลุมนะเนี่ยบอกว่าแม่หัวใจหยุดเต้นนะคงเพราะว่าเครียดจนช็อกนะหัวใจหยุดเต้นเลย ทำยังไงอ่ะมีวิธีเดียวนะก็คือต้องช่วยกันปัม๊มหัวใจของช้างนี่มันใหญ่นะแต่ว่าการที่จะใช้แรงคนปั๊มนี่คนเดียวไม่ได้หรอกนะมันต้องใช้หลายๆคนช่วยกันปัม๊มซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะแรงพอหรือเปล่าที่จะทำให้หัวใจนี้กลับมาเต้นใหม่ขณะเดียกันเนี่ยลูกช้างก็ร้องนะร้องหาแม่ ก็มีทีมกู้ภัยเนี่ยนะสามารถที่จะช่วยลูกช้างเนี่ขึ้นมาจากหลุมได้ขณะที่อีกทีมหนึ่งก็ปั๊มแล้วปั๊มอีกปั๊มแล้วปั๊มอีกระดมกันหลายคนนะแรงค น, นก็นิดเดียวนะเมื่อเทียบกับตัวช้างเนี่ยแต่ทุกคนก็พยายามเต็มที่เลยลูกช้างเนี่ยนะพอมันขึ้นมาจากหลุมเนี่ยมันวิ่งตรงไปหาแม่เลยนะซึ่งนอนหมอบอยู่ใกล้ แลพอมาไปถึงตัวแม่นะด้วยความหิวนะมันก็เอางวงเนี่ยไปสัมผัสนมแม่ปรากฏว่าทันทีที่งวงช้างเนี่ยของลูกเนี่ยสัมผัสกับตัวแม่นะสัญชาตญาณของแม่นี่มันทํางานทันทีเลยนะแม่นีนฟื้นเลยนะฟื้นเลยแล้วก็ลุกขึ้นมายืนได้อย่างนา่าอัศจรรย์มาก ทั้งๆ ท, ที่หัวใจเพิ่งหยุดเต้นไปหัวใจของแม่เนี่ยกลับมาเต้นได้ยังไงนะส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าการช่วยกันปั๊มนะของคนแต่คิดว่าส่วนสาคัญที่สุดนะาคือสัมผัสของลูกนะพองวงของลูกสัมผัสกับ น, นมของแม่นี่แม่นี่รู้ตัวขึ้นมาทันทีเลยนะ ตื่นเลยความรักลูกนี่มันทำให้กลับมาฟื้นขึ้นมาใหม่พอลูกขึ้นมาได้นี่ก็พาลูกเข้าป่าไปเลยคนก็ดีใจกันมากนะที่ช่วยทั้งลูกทั้งแม่ได้นึกว่าจะช่วยได้แต่ลูกแต่ว่าเสียแม่นะเหตุการณ์นี่มันก็สะท้อนเห็นนะว่าความรักลูกเนี่ย มันไม่ได้มีอยู่แต่เฉพาะในคนนะในสัตว์เนี่ยโดยเฉพาะช้างเนี่ยมันมีความรักลูกมากเลยเมื่อลูกได้รับอันตรายนี่ก็ไม่ยอมไปไหนเพื่อนๆนี่ก็ทิ้งไปหมดแล้วนะแต่แม่ก็ยังอยู่คอยป้องกันอันตรายและทั้งที่รู้ว่าทำอะไรไม่ได้น้อยก็คอยเฝ้าไว้ และพอรั่วตัวเองเนี่ยใกล้จะสลบนี่ยิ่งมายอมหนีห่างนะยิ่งพยายามเข้าใกล้รัวใหมากที่สุดถึงกับเอาตัวนี้ไปคอมลูกเอาไว้ด้วยการเอาหัวเนี่ยปักเข้าไปในท่อนะแล้วก็คงเพราะเป็นโอกาสเดียวที่จะทําให้ลูกเนี่ยได้กินนมแม่ด้วยจนกทั่งตัวเองนี่สุดท้ายก็หมดสติช็อกหัวใจหยุดเต้นนะ แต่ว่ากลับมาเต้นได้ใหม่นะเพราะว่างวงของลูกนี่มาสัมผัสกับ น, นมแม่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นสัมผัสทางกายเดียวนะมันส่งผลต่อจิตใจนะสันเซจจางของแม่นี่มันทํางานทันทีเลยฟื้นขึ้นมาทันทีเลยความรักลูกนี่มันสําหรับแม่ช้างนะเชื่องนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากนะ แต่จริงก็ไม่ใช่แค่ช้างตัวนี้นะคงที่ไหนที่ไหนก็เหมือนกันแล้วก็ไม่ใช่แค่ช้างเดียวนะสัตว์อย่างอื่นด้วยไม่ว่าจะลิงไม่ว่าจะเป็นหมาแมวนะปลาโลมาปลาวานหรือแม้แต่นกนะก็มีความรักลูกมากนี่เวลาเรารับรู้แบบนี้แล้วเนี่ยนะในการที่เราคิดจะไปทำอะไรทำร้ายสัตว์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายลูก หรือว่าทำรายแม่นี่มันยิ่งต้องไต่ตองให้ดีนะเพราะว่าเวลาฆ่าแม่ไปแล้วนี่ลูกก็ตายด้วยหรือเวลาฆ่าลูกที่แม่ก็ตายเหมือนกันนะหรือว่าทุกทรมานมากายิ่งเราเห็นความรักลูกเนี่ยที่มีในตัวสัตว์ผู้เป็นแม่เนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เราเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของความรัก ลูกนะที่มีในตัวมนุษย์นะเดือพเพราะแม่ของเรานะซึ่งย่อมมีความรักลูกเนี่ยไม่ต่างจากหรืออา จ, จะยิ่งกว่านะสัตว์เหล่านี้ก็ได้งั้นจะว่าไปนี่สัตว์เหล่านี้มันก็สอนเรานะให้เห็นถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของแม่ซึ่งมันช่วยทารงคุณธรรมนะในใจของเราเนี่ยให้มันคงแข็งแรงขึ้น แล้วก็เกิดสำนึกในเรื่องความกระตันอยู่รู้คุณ